มีพระภาคตรัสตอบว่าปูปสีวะเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญาจตนะสมาบัติยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรดังนี้แล้วก็จะข้ามห่วงกิเลสได้เธอจงละกามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาความสิ้นตันหาทั้งคืนทั้งวันคําว่าเธอจงมีสติ เพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัติอธิบายว่าพรามนั้นได้อากินจัญญายตนะสมาบัติอยู่โดยปกติไม่รู้ที่อาศัยว่าสมาบัตินี้เป็นที่อาศัยของเราพระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกที่อาศัยและทางออกที่สูงขึ้นไปแก่พรามนั้นพระองค์ตรัสบอกว่าเธอจงมีสติเข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติ ออกจากอาคินจัญญายาตนะสมาบัตินั้นแล้วเพ่งพิจารณาคือแลเห็นตรวจดูเพ่งพินิษพิจารณาจิตและเจตสิกธรรมที่เกิดในสมาบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดูดหัวฝีเป็นดูดลูกศรเป็นของลำบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นบังคับไม่ได้เป็นของสุดโทเป็นเสน่เป็นอุปัตะวะเป็นภัย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 เป็นของปราศจากความเจริญเป็นของมีอาสวะเป็นดุจเพชฌฆาตเป็นของที่ถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นเหยื่อแห่งมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาธิเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโศกปริเทวะทุกขโทมนัอุปาญาเป็นธรรมดาเป็นเหตุเกิดทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้หาความแช่ชื่นไม่ได้เป็นโทษ ของที่ต้องสลัดออกไปคําว่ามีสติอธิบายว่าสติความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะสัมมาสตินี้ตรัสเรียกว่ามีสติพราหมณ์นั้นผู้ประกอบประกอบพร้อมดําเนินไปดําเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมด้วยสตินี้พราหมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคตรัดเรียกว่ามีสติ รวมความว่าเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัติคําว่าอุปศีวะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพราหมณ์นั้นโดยชื่อคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจกาบัญญัติรวมความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปศีวะคําว่ายึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรดังนี้แล้วก็จะข้ามห่วงกิเลสได้อธิบายว่าอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอัดว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีอากินจัญญายตนะสมาบัติเพราะอัดว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุไรมพรามนั้นมีสติ ข้าวิญญาณัญญายตนะสมาบัติออกจากสมาบัตินั้นแล้วไม่ให้วิญญาณนั้นมีไม่ให้มีโดยประการต่างๆให้อันตรธ า, านไปย่อมเห็นว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นเธออาศัยเธอเข้าไปอาศัยอากินจัญญาญตนะสมาบัติที่มีความหมายว่าอะไรน้อยหนึ่งย่อมไม่มีทำให้เป็นเครื่องเหนียวรั้งจงข้ามเธอจงข้ามไปข้ามพ้น เก้าล่วงล่วงเลยห่วงกิเลสคือกามโมคะพโวคะทิทโถคะอวิโชคะให้ได้รวมความว่ายึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรดังนี้แล้วก็จะข้ามห่วงกิเลสได้คําว่าเธอจงละกามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายอธิบายว่าคําว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวด คือหวัตถุกลาม 2. กิเลสกลามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกลามคําว่าละกลามทั้งหลายอธิบายว่ากําหนดรู้วัตถุกลามและคือละทิ้งบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกลามรวมความว่าละกามทั้งหลาย คำว่าเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายอธิบายว่าวิจิตกิจฉาตรัสเรียกว่าความสงสัยได้แก่ความสงสัยในทุกข์ความหวัดหวันแห่งจิตความติดขัดในใจเห็นปานนี้บุคคลงดงดเว้นคือเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระจากความสงสัยอยู่รวมความว่า เป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งบุคคลงดงดเว้นเพลเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจเป็นอิสระจากเดรฉันกรถาสามจุดสองประการอยู่รวมความว่าเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายอย่างนี้บ้างรวมความว่าเธอจงละกามทั้งหลาย เป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายคําว่าพิจารณาความสิ้นตัญหาทั้งคืนทั้งวันอธิบายว่าคําว่าตัญหาได้แก่รูปตัญหาสาธตันหาคันธตันหารัศตัญห า, ญห า, ญหาโพธพาตัญหาธรรมตัญหาคําว่าทั้งคืนได้แก่ตลอดคืนคําว่าทั้งวันได้แก่ตลอดวันอธิบายว่า จงเห็นเพ่งพิจารณาคือแลเห็นมองเห็นเพ่งพินิษฐ์พิจารณาซึ่งความสิ้นตัณหาคือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นขติสิ้นการเถือกําเนิดสิ้นปฏิสนธิสิ้นพบสิ้นสงสารสิ้นวัตตาตลอดกลางคืนและกลางวันเถิดรวมความว่าพิจารณาความสิ้นตัณหาทั้งคืนทั้งวันด้วยเหตุนั้น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 ข่นอุปศีวะทูลถามดังนี้บุคลคลใดคลายราคะในกลามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่วันไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้หรือคําว่าทั้งปวงในคําว่าบุคลคลใดคลายราคะในกามทั้งปวงได้แก่ทุกสิ่ง โดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดคาว่าเนกามอธิบายว่าคำว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกาม คำว่าบุคคลใดคลายราคะในกลางทั้งปวงอธิบายว่าบุคคลใดเป็นผู้คลายราคะแล้วเพื่อปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วและราคะแล้วสลัดทิ้งราคะในการทั้งหลายแล้วโดยการข่มไว้รวมความว่าบุคคลใดคลายราคะในกางทั้งปวง คำว่าดังนี้ในคําว่าท่านอุปศีวะทูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคําว่าท่านเป็นคํากล่าวด้วยความรักคําว่าอุปศีวะเป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้คาว่าละสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติอธิบายว่าละคือสละเสียสละ ก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นสมาบัตหกเบื้องต่ำได้แก่อาศัยติดติดแน่นแนบแน่นติดใจน้อมใจเชื่ออากินจัญญายตนะสมาบัติรวมความว่าละสมาบัตอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติคําว่าน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงอธิบายว่าสัญญาสมาบัตเจตรัสเรียกว่า สัญญาวิโมกว่าด้วยอ bears, ากินจัญญายตนะสมาบัตเป็นวิโมกอันเลิศบรรดาสัญญาสมาบัตเหล่านั้นอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นวิโมกอันเลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดและยอดเยี่ยมผู้น้อมใจไปนในสัญญาวิโมกชั้นสูงเลิศคือประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยม ด้วยอาทิตติวิโมกได้แก่น้อมใจเชื่อในสัญญาวิโมกนั้นน้อมใจไปสู่สัญญาวิโมกนั้นเที่ยวไปด้วยสัญญาวิโมกนั้นมากไปด้วยสัญญาวิโมกนั้นหนักไปในสัญญาวิโมกนั้นเอ็นไปในสัญญาวิโมกนั้นโอนไปในสัญญาวิโมกนั้นน้อมไปในสัญญาวิโมกนั้นมีสัญญาวิโมกนั้นเป็นใหญ่รวมความว่า น้อมใจไปในสัญญาวิโมกชันสงูงคำว่าดำรงอยู่ได้หรือในคำว่าบุคคล น, นั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรโมโลกชันอากินจัญญาญตนะนั้นได้หรือเป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีแง่มุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนามิใช่หรือหนาเป็นอะไรเล่าหนอ เป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าดำรงอยู่ได้หรือคาว่าในนั้นได้แก่ในอากินจัญญาญตนะสมาบัติคาว่าไม่หวั่นไหวอธิบายว่าไม่หวั่นไหวเพื่อไม่แพร่นพรึงไม่หลบหนีไม่อันตรธานไปไม่เสื่อมไปอีกในหนึ่งไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่เศร้ามองรวมความว่า บุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญาญตนะนั้นได้หรือด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านอุปสีวทูลถามดังนี้บุคลคลใดคลายราคาในกรามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญาญตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดารงอยู่ในพรหมโลก ฉันอากินจัญญายตนะนั้นได้หรือพระผู้มีพระภาคกระตอบว่าอุปสีวะบุคคลใดคลายราคะในกลามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติ น้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้คำว่าทั้งปวงในคำว่าบุคคลใดคลายราคะเนครามทั้งปวงได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งปวงทุกอย่างโดยทุกประการไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าทั้งปวงนี้เป็นคากล่าวรวมๆไว้ทั้งหมด คำว่าในกลามอธิบายว่าคำว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกลามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกลามคำว่าบุคคลใดคลายราคะในกลามทั้งปวงอธิบายว่าบุคคลใดเป็นผู้คลายราคะแล้วเพื่อปราศจากราคะแล้วสละราคะแล้ว คลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วในกามทั้งปวงโดยการข่มไว้รวมความว่าบุคคลใดคลายราคะในกามทั้งปวงคำว่าอุปสีวะในคําว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัเรียกพรามนั้นโดยชื่อ คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิการบัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะคำว่าละสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญาญนะสมาบัติอธิบายว่าละคือสละเสียสละก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นสมาบัติหกเบื้องต่ำ ได้แก่อาสัยติดติดแน่นแนบแน่นติดใจน้อมใจเชื่ออากินจัญญาญตนะสมาบัติรวมความว่าละสมาบัติอื่นอาสัยแต่อากินจัญญาญตนะสมาบัติคำว่าน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงอธิบายว่าสัญญาสมาบัติเจตรรสเรียกว่าสัญญาวิโมกบรรดาสัญญาสมาบัติเหล่านั้น มาคีนจัญญาญตนะสมาบัตเป็นวิโมกอันเลิศประเส ร, ริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดและยอดเยี่ยมผู้น้อมใจเป็นในสัญญา ว, วิโมกชั้นสูงเผลอเลิศประเสริฐวิเศษสุดชั้นแนวหน้าสูงสุดยอดเยี่ยมด้วยอธิมุติวิโมกได้แก่น้อมใจเชื่อในสัญญา ว, วิโมกนั้นน้อมใจไปสู่สัญญา ว, วิโมกนั้นเที่ยวไปด้วยสัญญา ว, วิโมกนั้น มากไปด้วยสัญญาวิโมกนั้นหนักไปในสัญญาวิโมกนั้นเอนไปในสัญญาวิโมกนั้นโอนไปในสัญญาวิโมกนั้นโน้มไปในสัญญาวิโมกนั้นมีสัญญาวิโมกนั้นเป็นใหญ่รวมความว่าน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงคําว่าดํารงอยู่ในคําว่าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดํารงอยู่ในพรโมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้ได้แก่ พึงดำรงอยู่ได้หกหมืนกลับคำว่าในนั้นได้แก่ในอากริญญาญาตนะสมาบัติคำว่าไม่หวั่นไหวอธิบายว่าไม่หวั่นไหวคือไม่แพ่นเพิงไม่หลบหนีไม่อนตรทานไปไม่เสื่อมไปอีกในหนึ่งไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงไม่เสื่อมไปรวมความว่าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหว ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญาญตนะนั้นได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากุปสีวะบุคคลใดคลายราคะในกลามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญาญตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหว ดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญาญตนะนั้นได้ท่านอุปสีวะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจกักขุถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไว้ดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานปีไซบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว มีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคล น, นั้นจะพึงจุติอีกคำว่าถ้าบุคคลผู้นั้นดำรงอยู่ในคำว่าถ้าบุคคล น, นั้นไม่วันว้ยดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานปีไซได้แก่ถ้าผู้นั้นพึงดำรงอยู่ได้ถึงหกหมื่นปับไซในคำว่าในนั้นได้แก่ ในอากินจัญญายตนะสมาบัติคำว่าไม่หวั่นไหวอธิบายว่าไม่หวั่นไหวไม่พร่ำเพรึงไม่หลบหนีไม่อันตรธานไปไม่เสื่อมไปอีกในหนึ่งไม่กำนัดไม่ขัดเพืองไม่ลุ่มหลงไม่เสื่อมไปรวมความว่าถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานปีไซคำว่านานปีไซในคำว่า ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัญตจกักขุนานปีไซอธิบายว่านานนับปีไม่ได้คือหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีหลายร้อยกลับหลายพันกลับหลายแสนกลับคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัญตจกักขุอธิบายว่าพระสัพพัญยุตยานตรัสเรียกว่าสมัญตจกักขุ พระตาถาคตจึงชื่อว่ามีสมันตะจักขุด้วยจักสุนั้นรวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุนานปีไซคำว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีความสงบเย็นในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคล น, นั้นจะพึงจุติอีกอธิบายว่าบุคคล น, นั้นพึงเป็นผู้ถึงความเป็นผู้สงบเย็น เือเที่ยงมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาในพรหมโลกนั้นนั่นเองได้แก่พึงดำรงอยู่อย่างนั้นเสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้ในพรหมโลกนั้นนั่นเองอีกในหนึ่งพรามนั้นทูลถามถึงความแน่แท้และความขาดศูนย์ของบุคคลผู้เข้าอาคินจัญญายตนะสมาบัตว่าวิญญาณของเขาพึงจุติ ขาดศูนย์หายพินาศไม่พึงมีหรือหรือว่าปฏิสนธิวิญญาณในภพใหม่พึงนิพพานในกามาธาตุรูปธาตุหรืออรูปธาตุหรือว่าทูลถามถึงการปรินิพพานและปฏิสนธิของบุคคลผู้เข้าอาคินจัญญาญาณสมาบัติว่าเขาพึงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุในอาคินจัญญาญาณสมาบัตินั้นนั่นเองหรือว่า วิญญาณของเขาเพึงจุติปฏิสนธิวิญญาณเพึงบังเกิดในกรรมธาตุรูปธาตุหรืออรูปธาตุอีกคําว่าของบุคคล น, นั้นได้แก่ของบุคคล น, นั้นคือของบุคคลผู้เช่นนั้นดํารงอยู่ดังนั้นมีประการดังนั้นเปรียบเทียบได้ดังนั้นได้แก่ผู้เข้าอากินจัญญายตนะสมาบัติอยู่แล้วรวมความว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว มีความสงบเย็นในพรหมโลกนั้นนั่นแหละหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นจะพึงจุติอีกด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัรตะจักขู่ถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานปีไซบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือ หรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นจะพึงจุติอีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปศีวะเปเลวไฟถูกกำลังลมพัดไปย่อมดับกำหนดไม่ได้ฉันใด มุนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมดับไปกาหนดไม่ได้ฉันนั้นคำว่าเปลวไฟถูกกำลังลมพัดไปฉันใดอธิบายว่าเปลวแห่งไฟตรัสเรียกว่าเปลวไฟว่าด้วยลมคำว่าลมได้แก่ลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมมีฝุ่นลมไม่มีฝุ่นลมหนาวลมร้อนลมพัดเบา ลมพัดแรงลมบ้าหมูลมจากปีกนกลมจากปีกครุดลมจากใบตานลมจากพัดคำว่าถูกกําลังลมพัดไปอธิบายว่าถูกกําลังลมพัดไปคือพัดขึ้นไปพาไปพาไปทั่วกระโชกกระโชกอย่างแรงรวมความว่าเปเลวไฟถูกกําลังลมพัดไปฉันใด คำว่าอุปสีวะในคาว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวเดวยความครบรับว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบั ญ, ญติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปศีวะคําว่าย่อมดับ ในคําว่าย่อมดับกำหนดไม่ได้อธิบายว่าย่อมดับคือย่อมถึงความไม่มีถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ได้แก่ดับสงบระ ง, งับไปคําว่ากำหนดไม่ได้อธิบายว่ากำหนดไม่ได้คือยกมาอ้างไม่ได้นับไม่ได้บัญญัติไม่ได้ว่าเปลวไฟนั้นไปที่ชื่อโน้นแล้วคือไปทิตะวันออกแล้วไปทิตะวันตกแล้ว ไปทิศเหนือแล้วไปทิศใต้แล้วไปข้างบนแล้วไปข้างล่างแล้วไปทิศขวางแล้วไปทิศเฉียงแล้วคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีสาเหตุที่จะเป็นเครื่องกำหนดได้รวมความว่าย่อมดับกำหนดไม่ได้คำว่าฉันนั้นในคำว่ามุนีพ้นแล้วจากนามกายฉันนั้นเป็นคำทำการเปรียบเทียบให้สมบูรณ์ คำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะมุนีก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตันหาดุดตะข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าพ้นแล้วจากนามกายอธิบายว่ามุนีนั้นพ้นแล้วจากรูปกายมาก่อนแล้วโดยปกติคือก้าวล่วงรูปกายนั้นแล้วละเสียได้ด้วยวิคขำพณะประหารมุนีนั้นมาถึงที่สุดพก ได้อริยมรรสี่ประการแล้วเพราะเป็นผู้ได้อริยมรรสสี่ประการแล้วท่านจึงกำหนดรู้นามกายและรูปกายได้เพราะเป็นผู้กำหนดรู้นามกายและรูปกายได้แล้วจึงพ้นคือหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยดีจากนามกายและรูปกายด้วยความหลุดพ้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างสิ้นเชิงรวมความว่ามุนีพ้นแล้วจากนามกายฉันนั้น คำว่าย่อมดับไปในคำว่าย่อมดับไปกำหนดไม่ได้ได้แก่ปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุคำว่ากำหนดไม่ได้อธิบายว่ามู้นีนั้นปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสานิพานธาตุกำหนดไม่ได้คือยกมาอ้างไม่ได้นับไม่ได้บัญญัติไม่ได้ว่าเป็นกริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตร เป็นครหัส์เป็นบรรปะชิตเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีรูปเป็นผู้ไม่มีรูปเป็นผู้มีสัญญาเป็นผู้ไม่มีสัญญาเป็นผู้มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีสาเหตุที่จะเป็นเครื่องกําหนดรวมความว่าย่อมดับไปกําหนดไม่ได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า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 สีวะทูลถามว่ามุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทำลายเพราะมีความแน่แท้พระองค์ผู้เป็นพระมุนีโปรพยากรปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วคําว่ามุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีอธิบายว่า ม่นีนั้นถึงความสลายไปแล้วหรือว่าไม่มีคือมูนีนั้นดับไปแล้วสูญไปแล้วหายไปแล้วรวมความว่ามุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีคาว่าหรือว่าไม่แตกทําลายเพราะมีความแน่แท้อธิบายว่าหรือว่าเที่ยงคือมั่นคงแน่แท้มีความไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาได้แก่พึงดารงอยู่อย่างนั้น เสมอกับสิ่งที่ยึดถือว่าแน่แท้ในพรหมโลกนั้นรวมความว่าหรือว่าไม่แตกทําลายเพราะมีความแน่แท้คําว่าปัญหานั้นในคําว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีโปรพยากลปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดได้แก่ปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามปัญหาที่ทูลขอทูลอัญเชิญทูลให้ทรงประกาศ คำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะมุนีก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดุจถขายได้แล้วชื่อว่ามุนีคำว่าโปรพยากรปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดได้แก่ขอพระองค์โปรตรัสบอกเพือโปรดแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งด้วยเถิด รวมความว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีโปรพยากลปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดคําว่าเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วอธิบายว่าเพราะพระองค์ทรงทราบชัดแล้วคือทรงรู้แล้วเทียบเคียงพิจารณาทําให้ประจางทําให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่าเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้ว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 คำว่ามุนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณอธิบายว่ามุนีพูดถึงความสลายไปคือปรินิพานแล้วด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุย่อมไม่มีประมาณแห่งรูปไม่มีประมาณแห่งเวทนาไม่มีประมาณแห่งสัญญาไม่มีประมาณแห่งสังขารไม่มีประมาณแห่งวิญญาณคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้ได้แก่ ท่านละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้ส ง, งบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่ามูนีพูดถึงความจะลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณคำว่าอุปสีวะในคำว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามนั้นโดยชื่อ คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวดดวยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัตรรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปศีวะคำว่าชนทั้งหลายเพึงว่ากล่าวมุนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นอธิบายว่าชนทั้งหลายที่ว่ากล่าวมุนีนั้นด้วยราคะโทสะโมหะ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 สาเหตุไม่มีรวมความว่าชนทั้งหลายเพิงว่ากล่าวมุนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นคำว่าเพราะเมื่อมุนีนั้นถอนทำทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วอธิบายว่าเมื่อทำทั้งปวงคือขันทังปวงอายตนะทั้งปวงท่าทั้งปวงคติทั้งปวงอุบัติการถือคำเนดทั้งปวงปฏิสนธิทั้งปวง พบทั้งปวงสงสารทั้งปวงวัตตะทั้งปวงมุ jacket, น, นีนั้นถอนแล้วถอนได้เด็ดขาดแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นได้เด็ดขาดแล้วเพิ่ขึ้นเพิ่มขึ้นได้เด็ดขาดแล้วได้แก่มุนีนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแ like ล้วรวมความว่า เพราะเมื่อมุนีนั้นถอนธรรมทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วคำว่าแม้คันลองแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดแล้วอธิบายว่ากิเลสขันและอภิสังขารตรัสเรียกว่ า, ค, ว า, วาคันลองแห่งวาทะวาทะคันลองแห่งวาทะชื่อคันลองแห่งชื่อภาษาคันลองแห่งภาษาบัญญัตและคันลองแห่งบัญญัตมุนีนั้นถอนแล้ว ถอนได้เด็ดขาดแล้วคือดึงขึ้นดึงขึ้นได้เด็ดขาดแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้เด็ดขาดแล้วได้แก่มุนีนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทาไม่สงบได้แล้วระงับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าแม้คันลองแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้ได้เด็ดขาดแล้วด้วยเหตุนั้น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 นันถามานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของนันทมานพท่านนันททูล ถ, ถามดังนี้ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยยานหรือว่าเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีคำว่ามีอยู่ในคำว่า มุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกอธิบายว่ามีอยู่คือปรากฏมีหาได้คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกในอายตนะโลกคำว่ามุนีทั้งหลายได้แก่อชีวกนิ ค, ครนชะดินดาบทเรียกชื่อว่ามุนีชนทั้งหลายเข้าใจกันว่ามุนีทั้งหลายในโลกเป็นเทพ แต่เทพเหล่านั้นหาใช่มูนีไม่รวมความว่ามูนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคาว่าดังนี้ในคำว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคาว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักคาว่านันทเป็นชื่อของพรามนั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านนันทะทูลถามดังนี้ คำว่าชนทั้งหลายในคำว่าชนทั้งหลายกล่าวว่าคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรได้แก่กษศัตรพราหมณ์แพทย์สูตรครหัสบัปรปชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าย่อมกล่าวได้แก่ย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงคำว่าคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรเป็นคำทูลถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจ เป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามในแง่มุมหลากหลายว่าอย่างนี้หรือหนอนี่ใช่หรือหนออะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าชนทั้งหลายกล่าวว่าคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรคำว่าชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยยานว่าเป็นมุนีอธิบายว่าชนทั้งหลายย่อมเรียกคือย่อมพูดบอก แสดงชี้แจงบุคคลผู้ประกอบคือประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียรพร้อมด้วยญาณในสมาบัติแปหรือญาณในอภิญญาห้าว่าเป็นมุนีรวมความว่าชนทั้งหลายเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยญาณว่าเป็นมุนีคําว่าหรือว่าเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีอธิบายว่า ชนทั้งหลายย่อมเรียกคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงบุคคลผู้ประกอบคือประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมด้วยความเพียรของบุคคลผู้ดำเนินชีวิตเร้าหมองผู้ทำกิจที่ทำได้ยากยิ่งหลายอย่างว่าเป็นมุนีรวมความว่าหรือว่าเรียกบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนี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 ตรัสตอบว่านันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีเพราะได้เห็นเพราะได้ฟังและเพราะได้รู้เราเรียกเหล่าชนผู้กาจัดเสนามานได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีคาว่าไม่เรียกเพราะได้เห็นเพราะได้ฟังและเพราะได้รู้ได้แก่ ไม่เรียกเพราะความหมดจดแห่งรูปที่ได้เห็นคำว่าไม่เรียกเพราะได้ฟังได้แก่ไม่เรียกเพราะความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินคำว่าไม่เรียกเพราะได้รู้ได้แก่ไม่เรียกเพราะญาณในสมาบัตแปดบ้างไม่เรียกเพราะญาณในอภิญญาห้าบ้างไม่เรียกเพราะมิชายญานบ้างรวมความว่าไม่เรียกเพราะได้เห็นเพราะได้ฟังและเพราะได้รู้ คำว่าชนทั้งหลายผู้ฉลาดในคำว่านันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมุนีอธิบายว่าชนทั้งหลายผู้ฉลาดในขันฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในสติปทานฉลาดในสัมมาปทานฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินซีฉลาดในภละฉลาดในโภชง ฉลาดในมัคฉลาดในผลฉลาดในนิพพานย่อมไม่เรียกคือย่อมไม่พูดไม่บอกไม่แสดงไม่ชี้แจงบุคคลผู้ประกอบคือประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อมเพียบพร้อมด้วยความสะอาดแห่งรูปที่ได้เห็นความหมดจดแห่งเสียงที่ได้ยินญาณในสมาบัติ8ปญาณในอภิญญาห้ามิฉาาน รูปที่ได้เห็นหรือเสียงที่ได้ยินว่าเป็นมูนีรวมความว่านันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่เรียกบุคคลว่าเป็นมูนีว่าด้วยเสยนามมนคาว่าเราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามมนได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมูนีอธิบายว่า เสนามานตราเรียกว่าเสนากายทุจริตชื่อว่าเสนามานวจีทุจริตชื่อว่าเสนามานมโนทุจริตชื่อว่าเสนาแมนราคะชื่อว่าเสนามานโทสะชื่อว่าเสนามานโมหะชื่อว่าเสนามานโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสอิสามัชริยะมายา สาเถียะธรรมภะสารัมภะมานะอติมาน ะ, ะ, ะ, ะมทะปามาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสัมขารทุกประเภทชื่อว่าเสนามานสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า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 วิจิกิจฉาเราเรียกว่าเสนากองที่เจ็ดของท่านมัคขะและธรรมภะเราเรียกว่าเสนากองที่แปดของท่านลาบความสรรเสริญสักกะและยศที่ได้มาผิดๆเราเรียกว่าเสนากองที่เก้าของท่านการยกตนและข่มผู้อื่นเราเรียกว่าเสนากองที่สิบของท่านมานเอ๋ยเสนาของท่านนี้มีปกติประหารผู้มีธรรมดำ คนขาดเอาชนะเสนานั้นไม่ได้แต่คนกล้าพรันชนะได้แล้วย่อมได้ความสุขเมื่อใดเสนามานทั้งหมดและกิเลสที่สร้างเสนาฝ่ายตรงข้ามทั้งปวงถูกชนเหล่าใดพิชิตและทำให้ปลาชัยถูกทำลายกําจัดทำให้ไม่สู้หน้าแล้วด้วยอารีมักศีเมื่อนั้นชนเหล่านั้นเรียกว่าผู้กําจัดเสนามานได้แล้ว คำว่าผู้ไม่มีความทุกข์อธิบายว่าราคะโทสะโมหะโกทะอุปนาหะเป็นความทุกข์อากุจลาพิสังขารทุกประเภทเป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ชนเหล่าใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วชนเหล่านั้นตราเรียกว่าผู้ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มีความหวังอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอคุสนลมูลคือโลภะความหวังคือตัณหานี้ชนเหล่าใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผา้วยไฟคือยานแล้ว ชนเหล่านั้นตราเรียกว่าไม่มีความหวังได้แก่พระอระหันตขีนาศข้าว่าเราเรียกเหล่าชนผู้กำจัดเสนามานได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนีอธิบายว่าเราเรียกคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่า ชนเหล่าใดกําจัดเสนามารได้แล้วไม่มีทุกข์และไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดําเนินไปยังชีวิตให้ดําเนินไปชนเหล่านั้นจึงเป็นมุนีในโลกได้รวมความว่าเราเรียกเหล่าชนผู้กําจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมุนี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 คำว่าสมณะได้แก่นักบวชพวกใดพวกหนึ่งซึ่งเข้าถึงการบวชเป็นปริภาชกถึงการบวชเป็นปริภาชกภายนอกจากธรรมวินัยนี้คำว่าพรามได้แก่คนเหล่าใดเหล่าหนึง่งผู้กล่าวอ้างว่าตนเจริญบางพวกรวมความว่าสมณะพรามบางพวกคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านนันททูลถามดังนี้เป็นบทสนทิ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 รวมความว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้างคำว่าย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลายหลากบ้างอธิบายว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกแสดงชี้แจงความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ได้แก่ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นไปเพราะพิธีหลายหลากบ้างคำว่าได้บ้างหรือไม่ ในคาว่าค่าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหมูกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่เป็นคำถามด้วยความสงสัยเป็นคำถามด้วยความข้องใจเป็นคำถามสองแง่เป็นคำถามมีแง่มุมหลายหลากว่าอย่างนี้หรือหนอมิใช่หรือหนอเป็นอะไรเล่าหนอเป็นอย่างไรเล่าหนอรวมความว่าได้บ้างหรือไม่ คำว่าพวกนั้นได้แก่สมณพราหมู้เถรทิฐิคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจกาบัญญัติรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหมพ์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคลื่งนคลัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่คําว่านานั้นในคาว่า เป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นอธิบายว่าในหลักการของตนคือในความถูกใจความพอใจลัทธิของตนคำว่าเคร่งครัดได้แก่ระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปักรักษาสังวรแล้วคำว่าประพฤติได้แก่ประพฤติคืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดาเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพราหม์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤติตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นได้บ้างหรือไม่คำว่าผู้นิรทุกข้ามชาติและชราอธิบายว่าข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยชาติชราและมรณนะคำว่าผู้นิรทุก เป็นคํากล่าวด้วยความรักเป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าผู้นิรทุก์นี้เป็นคํากล่าวที่มีความเคารพและความเยำ่เกงรงรวมความว่าผู้นิรทุก ข, ข้ามชาติและชราคําว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นในคําว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น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 คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นจัติกาบัญญัติคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจำแนกทําให้ง่ายประกาศรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่า